พระเจ้าพระมหาภัยบุณอภิบุโนมาพูดเรื่องราวที่เป็นธรรมะให้ท่านผู้ฟังฟังทุกๆวันมาก็เพื่อที่จะมาบอกกล่าวเรื่องราวที่จะทำให้เราเกิดความมั่นใจเกิดความมั่นใจในการทำในการปฏิบัติการทำการปฏิบัติที่ถ้าเมื่อเราทำแล้วปฏิบัติแล้วเราจะสบายใจเราจะพ้นจากความทุกข์เราจะบรรลุทำได้ เราจะมีความสุขใจมีความเย็นใจมีความดับเย็นตัวอย่างของคนที่ทําได้ก็มีคือสมานสัมปรสจาด้วยกําลังด้วยความเพียรของคนธรรมดาคนหนึ่งแล้วก็กพิเศษของเขานินหนึ่งก็ตรงที่เป็นพระราชาเป็นกษัตริย์เชื้สายกษัตริย์เป็นเจ้าชายแต่ถ้าดูโดยความคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์ทั่ ว, วไปแล้วก็มี2แขนมีสองขาเหมือนกันตานี่ก็มี2องดวงเหมือนกัน ตาป่าก็อยู่ใต้จมูกเหมือนกันท่านก็มีสองขาเราก็มีสองขาก็เหมือนกันแต่ท่านเป็นตัวอย่างในการที่จะทำให้เกิดความสำเร็จด้วยกำลังด้วยความเพียรของมนุษย์คนหนึ่งเราเห็นตัวอย่างในการกระทำของพรพุทธเจ้าในเรื่องนั้นนั้นแล้วเนี่ยก็เอามาน้อมเข้าสู่ตัวว่าเอเราก็น่าจะต้องทาต้องปฏิบัติเหมือนกันนะจึงต้องมาฟังกันเลยนมาฟังมาฟังธรรม เพืีจะให้เกิดา ก, การนําไปปฏิบัติการนําเอาไปใช้งานการนําเอาไปเข้าสู่ชีวิตของเราในทุกๆด้านซึ่งการที่เราจะนําธรรมะไปใช้งานในรูปแบบที่จะเป็นประโยชน์กับชีวิตประจําวันของเราการนําไปใช้งานที่จะเป็นประโยชน์ตรงเนี้เรียกว่านาการนําไปปฏิบัติแต่ซึ่งการนําไปปฏิบัตินั้นอาจจะไม่ได้เป็นรูปแบบแคือบางคนคิดว่าจะต้องเป็นรูปแบบแบบใดแบบหนึ่งถ้า เป็นประสงค์ก็ต้องห่มผ้าเหลืองนะแล้วก็กดผมอันนี้ก็รูปแบบหนึ่งใช่ไหมแต่ถ้าเป็นคารวาสละ่ะรูปแบบของการปฏิบัตินี้มันก็จะหลากหลายอย่างรูปแบบอื่นๆที่เราอาจจะเห็นเช่นว่าต้องนั่งสมาธินะต้องเดินจงกรมนะต้องใบวัดนะต้องหฮมขาวานะต้องจุดทูปนะต้องกราบนะอันนี้คือเป็นรูปแบบหนึ่งเรียกว่าเป็นพิธีการวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งแต่จริงๆการปฏิบัติที่เราพูดถึงเนี่ยมันมีทุกระดับแหละในทุกๆเรื่อง ระดับอย่างที่อาจจะมองเห็นด้วยตาเปล่าก็เช่นท่าทางการกระทำํำเดินบ้างใส่เสื้อผ้าแบบนี้บ้างนั่งบ้างหลับตาบ้างลืมตาบ้าง น, นี้เราเห็นได้ด้วยตาเป็นสิ่งภายนอกแต่ระดับที่ละเอียดขึ้นมาหน่อยต้องใช้หูฟังเอาก็เช่นการพูดจาระดับที่ละเอียดลงไปอีกก็เรื่องของการคิดในใจแต่บางทีเราพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเราตั้งสติเอาไว้ไม่ว่าจะทําเรื่องใดๆก็แล้วแต่ อันนี้ก็ชื่อว่ามีการปฏิบัติทางใจซึ่งมันมีอยู่ในทุกระดับในทุกรูปแบบการที่เราเอามาปฏิบัติในทุกระดับในทุกรูปแบบอันนี้แหละก็เรียกว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีแล้ววันนี้เราจึงมาพูดถึงเนื้อหาในเรื่องที่เราพูดกันมาทั้ง3สัปดาห์แล้วทานฟังคือเรื่องของแก้ว3ประการหรือว่ารัตนไตรั แ, แก้วประการแรกก็คือเรื่องของพุทธะพุทธะพุทโธ มีคุณสมบัติอย่างไรใช้เวลาหนึ่งคาบในการที่บอกเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังคามที่สองธรมารัตนที่สองก็คือธรรมะว่าธรรมะมีคุณค่ายอย่างไรเรียกว่าธรรมะคุณก็พูดไปแล้ววันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของสังคคุณคือคุณของสงสงหมายถึงหมู่สงแปลว่าหมู่ท่านผู้ฟังสงแปลว่าหมู่ มูแห่งผู้ฟังคําสอนสองสาวกสาวกคือผู้ฟังคําสอนสาวกนั้นแปลว่าผู้ฟังคําสอนของใครของพระผู้มีพระภาคนะมูแห่งผู้ฟังคําสอนของพระผู้มีพระภาคก็เรียกว่าภักขวัโตสาวกสังโกภักขวัตโตก็คือพระผู้มีพระภาคสาวกคือผู้ฟังคําสอนสงก็คือหมูแสดงว่าไม่ใช่คนเดียวแ LM. ต่ต้องมีหลายคนใช่ต้องมีหลายคน เป็นหมู่แห่งผู้ฟังคําสอนหมู่เหล่านี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรแต่ยท่านฟังเคยสวดมนต์สวดมนต์แปลด้วยบางคนหลันที่เราสวดกันอยู่อะสุปฏิปันโนพระวัตโตซาหากัสังโคหุชุปฏิปันโนวาบาันะจนกระทั่งยะที่ดังจาตาริปุริสายุคานิอัถาปุริสปุคลาอาหูเนโยบาหูเนโยจนกระทั่งจบที่บุญยเกตังโลกัสติอันนี้คือก็เรียกว่าบท ที่พูดถึงสงสาวกของพระผู้มีพระภาคที่เขาแปรแปรกันตามฝังที่ก็แปรกันเรามาทําความเข้าใจตรงศัพท์ตรงนี้ที่หนึ่งแต่ถ้าเราจะพูดถึงสิ่งที่เป็นรัตนะสิ่งที่เราจะใช้เป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงที่ในการที่จะจับจะช่วยจะเกาะจะพึ่งได้หนึ่งในนั้นคือเรื่องของตรงนี้การปฏิบัติและสุปฏิปโนภะกัมวัโตสาวกขะสังโก คือมูแห่งผู้ฟังคำสอนของพระผู้มีพระภาคที่ปฏิบัติดีแล <us ession leness champion ters> ้วอุชุปัติปันโนภะควโตสาวกสังโขคือมูแห่งผู้ฟังคำสอนของพระผู้มีพระภาคที่ปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโขคือมูแห่งผู้ฟังคำสอนของพระผู้มีพระภาคที่ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว และสามีจิตปฏิปัโนภควะโตสาวะคะสังโฆคือหมู่แห่งผู้ฟังคําสอนของพระผู้มีพระภาคไม่ใช่ฟังทั่วทั่วไปนะฟังแล้วก็ปฏิบัติสมควรแล้วด้วยเพราะฉะนั้นฟังเฉยๆแล้วไม่ได้ทําไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยเขาก็ไม่ได้ว่าสงสาวกของพระผู้มีพระภาคจำบ้างเข้าใจไหมเพราะมันจะต้องมีปฏิปัโนอยู่ตลอดต้องมีการปฏิบัติอยู่อย่างตลอดปฏิบัตินี้ไม่ใช่ปฏิบัติทั่วทั่วไปปฏิบัติดีด้วย ไม่ใช่ปฏิบัติทั่วๆแต่ปฏิบัติตรงด้วยนะฟังแล้วเอามาเป็นแบบไม่ใช่ฟังเฉยๆแต่ปฏิบัติเพื่อรู้ทําเป็นเครื่องออกจากทุกข์ด้วยแล้ปฏิบัติสมควรด้วยนะในที่นี้หลายท่านก็แปลกันเป็นหลายอย่างท่านะฟังครูบาอาจารย์ท่านนี้ท่านก็ให้ความหมายของสุปฏิปันโนไว้อย่างดีนะโดยบทโดยเป็นชนะนะข้าพเจ้าจะไม่สามารถที่จะอธิบายอะไรได้ลึกซึ้งไปกว่าสิ่งที่ครูบาอาจารย์ต่างท่านพยายามจะอธิบายไว้อยู่แล้วนะทศก a t h อาจารย์ถึงอธิบายไว้ รูบาจารย์ที่ร่วมสมัยในปัจจุบันนี้ท่านก็อธิบายไว้อย่างดีอยู่แล้วสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายาปฏิมาโนสามีจีปฏิปันโนดีอยู่แล้วสิ่งที่เราจะเห็นได้ใช้ตรงนี้ก็คือว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติในะปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นข้นอกจากทุกปฏิบัติอย่างสมควรแล้วเพราะฉะนั้นไม่ใช่หมู่แห่งผู้ฟังคําสอนธรรมดาแต่ประนั้นถ้าเราฟังคําสอนแล้วยังไม่ได้เกิดการปฏิบัติเนี่ยอันนั้นไม่ใช่สงสาของพระผู้มีพระภาค ไม่ใช่หมู่แห่งผู้ฟังคําสอนจริงๆแต่นะเพราะว่าหมู่แห่งผู้ฟังคําสอนจริงๆเนี่ยเขาจะเกิดการปฏิบัติปฏิบัติแบบไหนแ่นะเพราะว่าคนที่ฟังคําสอนของพุทธะแล้วเนี่ยจะจะมีความศรัทธาเกิดขึ้นมีความมั่นใจแลนะศรัทธาคือความมั่นใจนี่แหละในะเป็นลําดับขั้นที่คําพเจ้าจะจะพูดต่ อ, ตอไปเอาบทที่มาของที่เราพูดถึงสังฆคุณเก้ากันนี่ก่อนแตนะ่ที่ว่าต่อไปคื อ, อได้แก่ ค, นน ค, ค, ถถคู่แห่งบรุษสี่คู่นับเรียงตัวได้8ปดบรุษนี่แหละคือมู่แห่งผู้ฟังคําสอนของพระผู้มีพระภาคแล้วก็ได้เคยตรัสถึงคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวได้แบดบรุษจริงๆไม่ได้พูดถึงว่าคู่สี่คู่นะั้นนี่คือโสดาบันโสดาปฏิมาษดาปฏิผลสกธะคามีมาษฎาธาคามีผลข้าพเจ้าก็พยายามที่จะไปหาในประไตรปิฎกนะแต่ก็ไม่ได้มีคําจํากัดความตรงนี้เอาไว้ แต่ว่าบทที่ต่อมาตัวนี้เหมือนที่เราเคยได้ยินกันว่าอาหูเนโยคือผู้ที่ควรแก่การกำนับอาหูเนโยแต่เป็นผู้ที่ควรแก่การต้อนรับมูแห่งผู้ฟังคําสอนแล้วปฏิบัติแบบนี้แหละเป็นทักกิเนโยคือผู้ที่ควรรับทักษินาทานมูแห่งผู้ฟังคําสอนแล้วปฏิบัติอย่างดีอย่างนี้แหละหรือว่าเป็นผู้ที่ควรธรรมฉลีเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญไหนยิ่งกว่า อันนี้คือส่วนที่5อย่างแในถัดมาเพรา ะ, ะนั้นถ้าเราจะแบ่งเนะี่ยดูแบ่ง9ส่วนเนี่ยที่เราพูดถึงกันเนี่ยตั้งแต่คําว่าสุปฏิปันโนจนถึงคําว่าเป็นนาบุญของโลกเนี่ยทั้งหมดได้9ข้อตรงนี้ถ้าเราจะแบ่งส่วนแรกนะกับส่วนที่2ส่วนแรกเราก็จะได้4ข้อแรก้ก็คือหมู่แห่งผู้ฟังคําสอนเนื้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อรู้ทําเป็นเครื่องออกของทุกปฏิบัติอย่างสมกวรแล้วก็ไม่ได้มีบอกไว้เป๊ะๆให้ท่านูฟัง ในบาลีในพุทธพจน์เนี่ยไม่ได้มีบอกไว้ไ ป, ไปว่าปฏิบัติดีเนี่ยหมายความว่าไงอย่าง ง, งี้ไม่ได้มีบอกไว้เรือว่าตรองหลับเป็นยังไงก็ไม่ได้มีบอกไว้ก็คือพูดโดยรวมแต่จะเน้นว่าหมู่แห่งผู้วังคําสอนที่ปฏิบตัตินะครัพระเจ้าก็พยายามที่จะไปไปหาว่าตรงนี้มันคืออะไรแล้วก็ก็ไม่มีก็ได้ไปเจอคําอธิบายของครูบาอาจารย์ต่างๆนั่นก็เป็นสิ่งที่ดีนะให้ความกระจ่างหลายอย่างในข้อเรื่องของบทเป็นชนะบ้างเรื่องของความหมายต่างต่างบ้างแต่สิ่งที่เป็นพุทธพจน์ที่จะ พูดถึงว่าปฏิบัติตรงเนี่ยมันคืออะไรปฏิบัติสมควรแล้วเนี่ยสามีจีบปฏิบัติโนเนี่ยคืออะไรเนี่ยไม่ได้มีบอกไว้เ ป, ป๊ะๆนะที่จะเจอส่วนใหญ่เน่นก็คือส่วนที่เรียกว่าเป็นผลนะคือถ้ามีการปฏิบัติ4อย่างเนี่ยนี่คือส่วนแรกที่เราบูดถึงนะก็จะนําให้เกิดผลอีก5อย่างถัดมาเรียกว่าเป็นผู้ที่ควรแก่กัรคำนับควรแก่การต้อนรับควรรับทักษิณาทานควนทรทําบัชฌีีเป็นนาบุญของโลกก็คือส่วนที่เริ่มจากอาคุเนโยจนกระทั่งถึงเป็นนาบุญของโลก นะหข้อถัดมานี่ก็เรียกว่าเป็นส่วนที่2และซึ่งตรงส่วนที่2เนี่ยเราจะเจออยู่หลายๆที่เหมือนกันเนะีเจอตรงนั้นเจอตรงนี้เจอตรง น, รงนี้แต่ว่าตัดส่วนแรกออกแต่เรื่องของสุปฏิบันโน4ข้อแรกออกนะแล้วเราก็ใส่คุณธรรมอย่างอื่นอย่างๆเข้าไปแทนแนะี่บางทีก็ใส่คุณธรรมของโสดาบันเข้าไปแทนนะีเช่นเป็นผู้ที่ที่งแด่ต่อปริริพานมีความาศรัทธานในพ ร, บระบุตรธรรมประสงค์มีศีลเนีนะ่ผู้ที่เป็นอย่างนี้แหละควรแก่การต้อนรับ ควรแก่การทำรับทักษิณาทานควรแก่การคำนับควรนำมันเสเป็นนาวบุญของโลกอย่างนี้ก็มีหรือใส่คุณธรรมของสกะทาคลามีเข้าไปก็มีแล้วก็ตามด้วยเอกหข้อที่เหลือขึ้นเป็นอาภูนโยเป็นผู้ที่ควรแก่การต้อนรับฟังในกรอบภาพตามนะว่าเราแบ่งคุณธรรมของผู้หมู่แห่งผู้ฟังคำสอนเนี่ยออกเป็น2ส่วนสี่ข้อแรกพูดถึงการปฏิบัติดีปฏิบัติตรงจนกระทั่งถึงปฏิบัติสมควร4ข้อแรกแ เอาไว้ส่วนหัวส่วนท้ายแล้วนะก็พูดถึงการที่เป็นผลว่าเออถ้าปฏิบัติอย่างนี้แล้วเนี่ยควรจะต้องควรแก่การต้อนรับควรรับทักษิณาทานเป็นนาบุญอันดีเป็นที่สุดตรงเนี้ห้อย่างเห่นี้เป็นส่วนที่2นงแต่พระเจ้าตรัสไว้ตรงนั้นตรง น, รงนี้ตรงนู้นมากมายแล้วนะโดยแยกส่วนแรกออกโดยแยกส่วนแรกออกนะแล้วก็เอาคุณธรรมอื่นๆเช่นความเป็นส่วนดบบันแล้วก็เอาส่วนท้ายนี้เข้าไปติด เอาคุณธรรมเป็นความเป็นสกทาขมีมาแล้วก็เอาส่วนท้ายนี่เข้าไปติดนีตั้งแต่ควรแก่กันก็ได้รับเอาคุณธรรมของความเป็นอนาคามีมาแล้วก็เอาส่วนท้ายนี่เข้าไปติดเอาคุณธรรมของความเป็นพระอรหันต์มาเอาส่วนท้ายเข้าไปติดก็มีเห็นไหมนะเราจะเห็นว่าไอ้สิ่งที่เอามาแทนกันได้เลยนั่นเรียกว่าสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนญายาปฏิปันโนสามีจีปฏิปันโนเนี่ยที่ปฏิบัติแล้วอย่างดีอย่างตรงอย่างชอบอย่างสมควรเนี่ย ก็เอาอย่างอื่นๆนั้นมาแทนได้นั่นก็คือความเป็นโซนบาลสกทาคาบมีอนาคมีเป็นพระอาารันแต่เพราะว่าจะมีผลเหมือนกันแต่ซึ่งผลของการที่กวรแก่การต้อนรับควรคำซักสินาทานพวกนี้ก็เป็นคุณสมบัติด้วยอย่างหนึ่งนั่นคือเป็นคุณสมบัติของหมู่แห่งผู้ฟังคําสอนที่ปฏิบัติดีแล้วต้องปฏิบัติดีเลยนะต้องปฏิบัติอย่างนี้น ะ, ะเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนส่วนแรก4อย่างแรกเนี่ยบางทีก็เอาออก ไม่ได้เอาความเป็นอริยบุคคล4อย่างนะมาใส่เข้าไปบางทีเอาคุณธรรมอื่นๆนะเช่นพูดถึงเรื่องของอริยามรรคมีองคนะ์แปดคนที่ปฏิบัติตามมรรคแปดชื่อว่าเป็นผู้ที่ควรแก่การต้อนรับ อ, อย่างงี้ก็มีก็แสดงว่าไอส้สุปฏิปันโนจนถึงสามีจีปฏิปันโนเนี่ยก็คือการปฏิบัติตามมรรคแปดดีเหมือนกันบางทีแล้วก็ยกตัวอย่างเรื่องของม้าอาชาไนนะที่มีคุณธรรม10ประการ่นะว่าทำม้าอาชาไน นะปฏิบัติได้10อย่างนี้แล้วเขาปราบพยศปราบความเสียผิดดิ้นรนของมันในการฝึกให้สวมบังเหียนบ้างให้กระโดดแพร่ขาขึ้นพร้อมกันสีข้างบ้างให้เดินย่องเบาๆบ้างนะฝึกได้จนหมดครบท้วนกระบวนวามแล้วล้วก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่ควรแก่การต้อนรับอย่างนี้ก็มีบางทีก็พูดถึงเรื่องของช้างอาชาในานะที่เป็นผู้ที่รู้ฟังรู้ประหารรู้อดทนรู้ไป แล้วก็ควรแก่การต้อนรับก็มีแล้วก็เปรียบเทียบกับภิกษุนั่นแหละว่าภิกษุนะถ้าเปรียบเทียบกับมา้าก็คือมีอริยมรรคมีองค์แปดบวกกับสัมมาญาณนะแล้วก็สามามวิมุตติด้วยแล้วก็ถึงว่าจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงถ้าเปรียบกับช้างนะที่มีคุณสมบัติสี่อย่างนั้นก็เปรียบเหมือนกับภิกษุที่คอยฟังธรรมรู้จักละ้เจ้าสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมนะคือการรู้จักประหารรู้จักอดทนก็คือ อยู่ในที่ร้อนที่นาวก็อดทนได้ถูกด่าถูกว่าถูกเวทนาอันไม่น่าพอใจอทนได้รู้ไปคือรู้ในการที่จะปฏิบัติไปสู่นิพพานได้ที่ที่ไม่เคยไปเลยตลอดสังสารวัฏนี้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าคำว่าสุปฏิปันโนจนถึงสามีจิตปฏิปันโนเนี่ยส่วนแรกใน4ข้อเนี่ยจริงๆก็มีความหมายคล้ายคลึงกันมีความหมายคล้ายคลึงกันในเรื่องของการที่จะต้องปฏิบัติ แล้วปฏิบัติแบบไหนล่ะถึงจะเรียกว่าอย่างน้อยที่สุด่ขี้หมูขี้หมาเลยน้อยที่สุดแต่คือน้อยที่สุดนี่ก็ไม่ขี้หมูขี้หมาในทางฟังแต่ว่าน้อยที่สุดที่จะเรียกว่าเป็นหมู่แห่งผู้ฟังคําสอนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติได้เอาเรามาพิจารณาตรงนี้กันสมมติว่าคนฟังธรรมของพระผู้มีพระภาค่มีพระผู้มีพระอุบัติขึ้นใช่ไหมกุลบุตรผู้ใดผู้หนึ่งได้ฟังคําสอนของพระผู้มีพระภาคหรือว่าจากสาวกของพระพุทธเจ้านะฟังแล้ว ก็เกิดความาจะพูดว่าไงล่ะเดือดร้อนใจกันนะเอา้าเกิดความเดือดร้อนใจว่าตายแล้วฉันถูกความทุกขถูกต้องแล้วนนั้ถูกความทุกถูกต้องแล้วใ น, น, น, นการที่จะปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสิ้นทุกแสดงสภาพอย่างนี้ด้วยความเป็นครวญนี่มันจ ะ, จะยากเพราะว่าคราวญนี่เป็นตามใหม่ทุลีแล้วก็เลยออกบวชใ น, นการออกบวชตรงนั้นแสดงถึงความศรัทธานี้เป็นไปได้นะว่าคนถ้าฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้ว ได้รับการแจกแจงแยกแยะให้เห็นว่าอะไรเป็นอะไรนั่นคือธรรมานะเหมือนทีพระองค์ก็เล่าประวัติของตัวเองให้ฟังแต่ว่าการปฏิบัติมายังไงยังไงถึงบรรลุได้เขาจะมีความมั่นใจแต่มีความมั่นใจว่าโอ้คนคนนี้เขาเขาทำได้นะเขาเขาทำที่สุดแห่งทุกได้นะเนี่ยคือมีความมั่นใจในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแต่ว่าโอ้ทําได้นะ คนสักคนใดคนหนึ่งที่บอกไปเนี่ยมีความเป็นมนุษย์อย่างเราเราท่านๆมี2อขามี2แขนเหมือนกันมีศักยภาพเหมือนกันเนี่ยเฮ้ก็ทําได้ฮะตัวอย่างเห็นอยู่ต่อหน้าตัวอย่างมีเรื่องราวที่ระบุเอาไว้ในตําราตัวอย่างมีอยู่แต่อย่างที่สองที่เขาจะเกิดความศรัทธาความมั่นใจขึ้นก็คือมีความมั่นใจในกระบวนการการปฏิบัตินะาอ๋อทำแบบนี้ทําแบบนี้มันก็ได้อ่ะสิแต่ทำแบบนี้มันก็ได้บบไดคือมีความมั่นใจในในวิธีการและคือมีความมั่นใจในธรรมะ เมื่อมีความมั่นใจในตัวอย่างที่เห็นเห็นอยู่ว่าเออคนที่ทําได้ก็มีแต่คือพระุทธเจ้านี่ยเป็นคนแรกแล้วคนที่ทำตามตามต่อต่อกันมาได้ก็มีเออก็จะมีความมั่นใจตรงนี้คือมีความมั่นใจในพุทธะนะสัมมาสัมพุทธะคือองค์แรกมีความมั่นใจในอนุพุทธะแต่คือเอาคนที่ทำตามตามต่อต่อกันมาก็เป็นพุทธะได้นะเออก็สําเร็จได้บรรลุได้ฮะเขาก็ใช้ด้วยกําลังของตัวเองด้วยกําลังกายกําลังใจ เอ๊ะทำได้นะไม่ได้ว่าต้องพึ่งพระเจ้าไม่ได้ว่าต้องพึ่งเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้อ้อนวอนด้วยแฮะเออคนนั้นก็ทําได้เห็นพุท ธ, ธะเนที่เป็นตัวอย่างจากสัมมาสมัมพุทธะเห็นพุท ธ, ธะที่เป็นตัวอย่างจากอนุพุท ธ, ธะมีความมั่นใจละมีความมั่นใจว่าไอ้คนทำจำเลยก็มีนี่คือความมั่นใจในพุท ธ, ธะเกินแล้วกระบวนการก็เหมือนกันเพราะว่าถ้ามีแต่คนทําได้แล้วไม่มีเส้นทางไม่มีแผนที่ให้ บอกแต่ว่าตรงนั้นเป็นอย่างนั้นแต่ว่าไม่มีเส้นทางเดินไม่มีวันี่ายมันก็จะงงๆว่าจะไปยังไงแต่นี่เส้นทางก็มีให้กระบวนการวิธีการก็บอกให้ทราบอไปแล้วแล้วก็โอ้ก็ทําได้นี่นะก็จะมีความมั่นใจแต่เรามีความมั่นใจในผู้ที่ทําได้เห็นตัวอย่างมาแล้วมีความมั่นใจว่าเอเส้นทางนี้มันก็ถูกต้องนี่นะมันน่าจะไปได้นะคนที่ทําได้เขาก็มีมาแล้วตัวอย่างก็มีนั่นจะไม่มีความมั่นใจว่าเฮ้ยถ้าฉันทําเนี่ยก็ต้องได้เหมือนกันนี่นะ นั่ลักษณะของความมั่นใจในสงค์คือสัทธานในสังฆานั่นเองแต่สงค์คือหมู่สงสาวกคือหมู่แห่งผู้ฟังคําสอนเพราะฉะนั้นผู้ฟังคําสอนของพุทธะจะพุทธะไหนก็ตามแต่สัมมาสัมพุทธะหรืออนุพุทธะก็ตามนาอนุพุทธะก็ต้องบอกต้องสอนตามสัมมาสัมพุทธะหมู่แห่งผู้ฟังคําสอนคือสงสาวกเนี่ยก็สามารถที่จะทําได้ปฏิบัติได้แต่ทั้งฟังต้องทาความเข้าใจตรงนี้นิดหนึ่งว่า ถ้าฟังแล้วรู้แล้วแต่ว่าไม่ได้เกิดให้ให้เกิดการปฏิบัติเกิดขึ้นเนี่ยมันมันไม่ใช่น่ไม่ใช่สงสาวกของพระผู้มีพระบาค่เพราะว่าถ้าเรามีความมั่นใจในกระบวนการวิธีการแล้วก็ถ้าใครสักค น, นหนึ่งทำเนี่ยแล้วทำได้เนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่ควรทำจริงๆมันจะอยู่ไม่ได้เลยมันต้องทำเลยไม่ทำไม่ได้เลยล่ะก็ถ้าในเมื่อทาแล้ว ก็จะต้องได้ผลผลอย่างต่ๆที่สุดที่จะต้องได้ก็ต้องมีศีลละเอา้านะีมีศีลคือความเป็นปกติในเรื่องของกายเรื่องของวาจามันต้องเป็นอย่างนี้นะรักษากายรักษาวาจาได้เอา้เอาขั้นพื้นฐานศีลห้าเพราะฉะนั้นคนที่ฟังคําสอนของพระผู้มีพระภาคนะสาวกสังโฆพัควะโตนะท่านฟังพัคกวะโตคือไม่ใช่พุทธะทั่วไปแต่เป็นพัคกวะคือพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคมีองค์เดียว ท่านพระมหาสารีบุตรจะมาเป็นพระผู้มีพระภาคไม่ได้ท่านพระมหาสารีบุตรเป็นทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคในที่นี้คือสัมมาสัมพุทธะแล้วหมูแห่งผู้วางคำสอนของสัมมาสัมพุทธะเอา้าคุณอาจจะฟังจากอนุพุทธะอนุพุทธะก็มาตามพระขวัตตวนั่นแหละมาตามพระผู้มีพระภาคแต่เทศเหมือนกันเทศตามกันนว่ายังไงก็ว่ายอย่างนั้นนว่าอย่างนั้นแล้วทำยังไงอ่ะมันจะทําให้เกิดการปฏิบัติจะนั้นไม่เกิดความมั่นใจ เพระฉะนนตรงนี้สงเนี่ยเตมฟังคําว่าศรัทธาอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเนี่ยก็คือความมั่นใจว่าถ้าเราทําเราก็ต้องได้ความมั่นใจตรงนี้มันมันอยู่ไม่ได้เลยเตมังมันจะต้องทำแล้วไม่ได้ทําแบบวาหล่อหลอแหละแหละทำแบบแกล้งแกล้งทำทำแบบงงงมึนมึนทำแบบรูปรูปคลำคลทำทาแบบชนิดที่ว่าเป็นศิลพัฒปรมะมาทจะไม่มีแต่จะมีความมั่นใจจะทําจริง การทำจริงตรงนี้ก็คือศิลป์พัฒนประมาตทลาไปได้ความมั่นใจของเขาความมั่นใจนี้ทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิได้เห็นชัดเลยว่ามันต้องไปอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นไม่ได้เขาจะไม่มีความลังเลความเคลือบแคลงความเห็นแย้งเลยเพราะเรื่องของความมั่นใจมีความมั่นใจเต็มที่แล้วว่าวิธีการถูกต้องวิธีการถูกต้องก็ไม่มีความเคลือบแคลงมีความมั่นใจเพราะเห็นตัวอย่างที่ทำได้แล้วนั่นคือมีทิฏฐิที่ถูกต้องมีความมั่นใจ ในเรื่องของกระบวนการวิธีการความลังเลความเกลือบแคลงความเห็นแย้งคือวิจิกิจาก็ไม่มีถ้าทําด้วยความมั่นใจทําด้วยความเต็มใจทําด้วยความจริงใจทําด้วยการทําจริงทําจริงแน่วแน่จริงไอการทําจริงแน่วแน่จริงเนี่ยคือความกล้าที่เกิดขึ้นในใจของเขาพอคนมีความมั่นใจมันมีความกลา้าดต็มฟังพอกล้าแล้วมันทําจริงพอทําจริงแล้วมันต้องได้ผลไอผลที่เกิดขึ้นนี่แหละผลที่เกิดขึ้นนี่แหละก็เรียกว่าเป็นการปฏิบัติดี ปฏิบั ต, ตรงปฏิบัติเพื่อรู้ทําเป็นเรื่องเ อ, อจาจนทุกปฏิบัติอย่างสมควรแล้วแต่อย่างน้อยๆต้องมีศีลหรือว่าถ้าทําไปทําไปทําอย่างจริงจังทําจริงแน่แน่จริงหนูนก็จะสามารถจดจําเรื่องราวระลึกถึงคําสอนของพระเจ้าระลึกถึงสิ่งที่ทําจําคําที่พูดและแม้นแนนได้จะสามารถแยกแยะออกได้ว่าอะไรใช่อะไรไม่ใช่อะไรเป็นประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์รู้แล้วจะมีความเบาใจความสบายใจ พอมีความเบาใจชื่นใจสบายใจแล้วจิตมันก็ตั้งมัน่นมีความคงที่มีความทรงตัวจิตตั้งมั่นแล้วมันก็จะเห็นจัดนะตรงนี้ก็จะเป็นลำดับของเรื่องของศรัทธาใช่มมีความมั่นใจมีความกล้ามีการทำจริงนี่คือวิริยะพอมีศรัทธามีการทำจริงแล้วมันก็จะเกิดสติขึ้นได้นะีระลึกถึงสิ่งที่ํำจํารที่บุตรแล้วก็จะเกิดสิ่งที่เป็นสมาธิจิตตั้งมั่นได้ เป็นจิตเป็นอารมณเดียวก็จะมีปัญญาคือการเห็นแจ้งชัตามที่เป็นจริงเพราะฉะนั้นคุณธรรมสีข้อในที่ว่า น, น้อยที่สุดเลยและคือมีศรัทธานในพระพุทธมีศรัทธานในพระธรรมมีศรัทธานในพระสงฆ์มีศีลอันเป็นที่ปอใจของพระอริยเจ้าซึ่งคุณธรรมสีข้อนี้คืออะไรเรียกว่าเป็นผู้ที่ถึงแล้วซึ่งกระแสแตคุณไปตามทางแล้วพอได้ศีลแล้วไงอ่ะพอทําศีลได้มันก็จะมีความไม่ร้อนใจไอ้นี่ไปตามทางนะ นี่ไปตรงทางอยู่นะเป็นทางตรงนะไม่อ้อมนะทางตรงตรงนี้คือตามมรรคแนะต่คนที่จะทําได้ต้องไม่มีมารยาแน่นอนนะมีความมั่นใจเป็นคนตรงตรงไปปฏิบัติตามตรงตรงอย่างนี้นั่ไปตามทางนี้นั้นปฏิบัติตามธรรมะที่พระเจ้าประกาศไว้ดีแล้วที่ว่าปฏิบัติอย่างดีเนี่ยคือธรรมะที่ดีดีดีดีดีดีเนี่ยเราเอามาทํามาปฏิบัติมันได้ผลนัปฏิบัติไว้อย่างดีพระเจ้าเคารพธรรมะมากในทยคฝั่ง เอาธรรมะมาบอกเนี่ยเคารพธรรมนอบน้อมธรรมสการะธรรมมีธรรมเป็นธงชัยมีธรรมเป็นยอดธงนะจึงประกาศธรรมะเอาไว้อย่างช่นนีว่าเรียบร้อยเนียบไม่ลาหลวมกระชับรอบขอบให้เราได้ปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นคนที่ทำแล้วอย่างดีเหมือนกับรับสิ่งที่เป็นของสวยงามมาทูนไว้เหนือเสียงกล้าวแล้วปฏิบัติอย่างดีนี่แหละคือผู้ที่ปฏิบัติดีนะมันจะมีความมั่นใจเตัง ปฏิบัติดีไปเรื่อยๆมันก็จะตรงทางละ่ะทางนี้ก็จะเป็นจุดทางที่จะดับซึ่งความทุกข์ได้แล้คนที่จะดับซึ่งความทุกข์ได้แล้วเนี่ยมันก็จะสามารถทำธรรมะที่สมควรแก่ํารมแมคําว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ทําเนี่ยนะจริงๆมันความหมายลึกซึ้งมากนะคาว่า ง, งคือคําว่าปฏิบัติสมควรเนี่ยคือหมายความว่าเขาจะรู้ว่าธรรมะอะไรที่สมควรกับการใช้ใเวลาไหนไหๆอาจจะบางทีเราเจอขอทานอย่างเงี้ยเรารู้สึกมีความสงสารเขาอยากช่วยเหลือเขา ก็ช่วยเหลือช่วยเหลือช่วยเหลือช่วยเหลือจน ถ, ถ, ถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องหยุดบ้างล่ะเพราะว่าสัตว์โลกเขาตองเป็นไปตามกรรมแต่ถึงจุดนั้นก็ต้องใช้อุเบกขาล่ะในถ้าจะใช้กรุณาใช้เมตตาต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราให้หมดทุกอย่างเป็นการเบียดเบียนตัวเองนั้นก็เกินไปนั่นก็คือว่ายัางไม่สามารถที่จะปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมได้ไม่รู้ว่าธรรมะไหนสมควร ก, กับเวลาใดแต่คนที่รู้ว่าควรจะต้องปฏิบัติตามสถานภาพ สถานการณ์ของตนของตนตามเวลานั้นๆอันนี้คือเรียกว่าเป็นการปฏิบัติสมควรแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่การปฏิบัติแล้วคนจะทําจริงได้ต่านฝั ง, งคนจะทําจริงได้จะเกิดการทําจริงได้จะเกิดการทําชนิดที่ว่าไม่เหาะแ ย, ย, ยไม่หล่อแหละเกิดการทําชนิดที่เรียกว่าทําอย่างห้าวหาญทําอย่างเข้มแข็งได้เนี่ยเขาจะต้องมีความมั่นใจความมั่นใจนี้มาจากไหนมาจากตัวอย่างที่เห็นนั่หละ มาจากพุทธะนั่นแหละเพราะนั้นตรงนี้แหละชื่อว่าเป็นภควโตสาวกสังกูมาจากภควะมาจากพระผู้มีพระภาคมาจากการที่ได้ฟังคําสอนนั่นแหละเพราะนั้นภควโตสาวกสังกูคือหม uh ู่แห่งผู้ฟังคําสอนจากพระพูทธเจ้าแล้วจึงมาทำฟังแล้วมันจะได้ศรัทธาจะได้ความมั่นใจเพราะนั้นคนที่ถ้าฟังแล้วไม่มีความมั่นใจไม่มีความศรัทธาในความมั่นใจความศรัทธาในเรื่องของทรงแนะนฟัง มันจากผิวเผินเลยอะเอาแค่ว่าคุณเห็นพระสงฆ์เงี้ยกลดผมผมเหลืองเอาคุณยิ้มว่าพระเอาไหว้อันนี้ก็คือระดับข้างนอกเฉยๆนะระดับด้านนอกเฉยๆแต่เป็นสงฆ์ข้างนอกเฉยๆเอาเลยเป็นพระสงฆ์เออดีเอาไหว้ซะดีแต่ผู้ที่ควรบูชาก็ว่าไปนะหรือระดับที่ดีขึ้นมาคืคุณมีการพิจารณาคุณธรรมในใจของบุคคล น, นั้นบุคคล น, นั้นเอาบุคคล น, นั้นเนี่ยเขาเปฏิบัติดีจริงๆหรือเปล่าเขาเป็นหมู่แห่งผู้ฟังคําสอนที่ปฏิบัติดีไหม ที่ปฏิบัติตรงไหมปฏิบัเพื่อรู้ทําเป็นเครื่องออกจากถูกไหมเวลาสมควรหรือไม่เราพิจารณาดูแล้วเรามีความมั่นใจในบุคคลพวกนี้โอ้บุคคลพวกนี้เขาดีจริงๆริงนะเป็นการเห็นอนุพุทธะที่เขาได้ปฏิบัติตีแล้วนะสมมาสมุทาเราไม่เห็นเราด้วยตาแล้วตอนนี้แต่เห็นหมู่ของอนุพุทธะที่เขาปฏิบัติดีก็ให้เกิดความมั่นใจตรง น, นี้แต่แล้วที่สําคัญเลยตรงฝั่งคือสงที่อยู่ในใจของเราคือการปฏิบัตนะิให้มีความมั่นใจว่าถ้าเราเอามาปฏิบัติ ตามไหนตามทำนี่แหละด้วยการพึ่งกำลังแขนกำลังขากำลังใจของเราเนี่แหละเราจะต้องได้ผลอย่างนั้นความมั่นใจตรงนี้แหละท่านฟังคือสงฆ์ที่อยู่ในใจของเราคนที่รู้ขนาดนี้แล้วนะท่านฟังมันไม่ทํามันไม่ได้เลยต้องปฏิบัติเลยไม่ทําไม่ได้เลยปฏิบัติได้แล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือความที่ตัวเองมีศีลจะมีความไม่ร้อนใจมีความสบายใจผลต่างๆก็จะเกิดขึ้นแต่บุงคลที่ปฏิบัติอย่างนี้จะเรียกว่าเป็นผู้สงบก็ได้ คำว่าเป็นผู้สงบก็คือสัมมนาหนเองบุคคลที่ปฏิบัติอย่างนี้จะเรียกว่าเป็นผู้ลอยบาปแล้วก็ได้บาปเราละไปลอยไปผู้ลอยบาปก็คือพรามหนเองบุคคลที่ปฏิบัติต่างนี้จะเรียกว่าเป็นผู้ทําลายกิเลสก็ได้ต่อยกิเลสทําลายกิเลสผู้ที่ต่อยกิเลสทําลายกิเลสก็คือพิกษุนัหนเองผู้พิกษุก็คือผู้ที่ต่อยกิเลสทําลายกิเลสจะเรียกว่าพิสูจก็ได้จะโกนผมไม่โกนผมจะห่มเหลืองหรือไม่ห่มเหลืองก็ตาม แต่ถ้ามีการปฏิบัติอย่างดีปฏิบัติตามธรรมปฏิบัติชอบยิ่งอยู่อย่างนี้พระเจ้าก็ยังเรียกว่าเป็นสมณะได้คือผู้สงบได้เรียกว่าเป็นพราหมณ์คือผู้ลอยบาปได้เรียกว่าเป็นภิกษกุคือผู้ทําลายกิเลสได้ตัวอย่างในสมัยพุทธกาลก็มีสันตติมหาหมัดทรงเรื่องแต่งกายของมหาหมัดเต็มยศแต่ว่าใจละกิเลสได้หมดแล้วก็เรียกว่าเป็นสมณะได้เรียกว่าเป็นพราหมณ์ได้ เรียกว่าเป็นภิกษุก็ได้นี่แหละเรียกว่าหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของพระผู้มีพระภาคขา้าพเจ้าพระมหาไบบุญอภิปุนโนจากวัดบาดดไหโสเสริมพร